ฝึกกายอะไก็ฝึกใจร่างกายก็ฝึกมันก็มาจากใจด้วยนะใจที่มีสติมีปัญญารู้รู้ว่าควรทำยังไงกับร่างกายร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งมีเหตุมีปัจจัยสมควรทำให้ สุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงจิตใจเราที่มีสติเฝ้าสังเกตเรียนรู้ศึกษาว่าระบบของร่างกายมันทานํางานยังไงแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้มันเหมาะสมพอดีกับสภาพร่างกายของเรา นี่เรียกว่าทมด้วยปัญญาแสดงถึงคนมีปัญญานะมีปัญญารู้ว่าร่างกายของเราเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราต้องเกี่ยวข้องกับร่างกายให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรง เพื่อเอามาทำประโยชน์ให้มันมีความแข็งแรงแข็งคองว่องไวทำการทำงานได้ที่สำคัญก็คือเอามันมาฝึกจิตใจพัฒนาจิตใจของเราให้ประเสริฐขึ้นสูงส่งขึ้นนี่เรียกว่ามีปัญญาอย่างวันนั้นคุยกเรื่องยาบ้าคนที่ไปเสพ ย, ยาบ้านี่คือคนไม่มีปัญญา อยู่ดีดีก็ไปเอาสารที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายเอามาใส่เข้าไปในร่างกายตัวเองแล้วร่างกายของตัวเองก็ผิดปกติไปสูญเสียความเป็นธรรมชาติไปสภาพของร่างกายก็แย่แล้วมันร่างกายมันก็มีผลต่อจิตใจด้วย มันไปบีบคันระบบประสาทสมองทำให้สั่งการผิดพลาดทำให้ขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจมันไปกระตุ้นระบบของร่างกายแล้วก็ไปกระตุ้นสารต่างๆในร่างกายทำให้มีผลต่อจิตใจ จิตใจก็เอกเขมคือขนองเราเคยนะเคยลองกินเหล้าตามตีไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบกินเหล้าหรอกเคยลองสองครั้งสมัยที่เรียนหนังสืออยู่มันมันอยากลองขึ้นมาเฉยเฉยลองเมาดูเลยกินให้เมาเลยโอเมาแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะมันก็รู้ตัวอยู่นะ มีผู้หญิงคนหนึ่งก็นั่งอยู่ข้างๆก็เพื่อนรุ่นเดียวกันนะเราเอกนิสตร์เขาเอกฟิสิกเราไปเนี่ยเลี้ยงรุ่นอะไรเนี่ยก็ไปนั่งโต๊ะจีนตามปกติมัมนขี้เลที่สุดเลยนะไม่เคยสนใจนะเพราะวันนั้นเนี่ยเกิดใจมันชอบขึ้นมานะมองมันนีสวยนะโอ้อยากจีบใจขาดเนี่ย มันก็ออแอ๋อ่ออม่งไม่สนใจอ่ะเขาก็รู้ว่าเราเมากลับมาถึงหอพักคิดถึงเออคิดถึงไอ้ไอ้เพื่อนคนนี้บอกกับเพื่อนว่ามึงพากูไปหาเขาหน่อยนะพุ่งมีว่ะลืมชื่อไปแล้วล่ะไอ้เพื่อนมันก็เออนอนนอนนอนคงล่ำคาญเต็มที่เมาแล้วไม่ไม่รู้เรื่อง นี่ก็ทำร้ายตัวเองแต่ครั้งนั้นอยากลองเฉยๆอยากรู้เป็นการศึกษาชนิดหนึ่งรู้ว่าคนเมาในี่มีสตินี่เรียนหนังสืออยู่นะแต่มันเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาทดลองดูว่าคนเมาเป็นยังไงก็เห็นนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองคุมตัวเองไม่อยู่ขาดความยั้งคิดความคิดก็ไม่มีประโยชน์ คิดเลื่อยเปยื่อยแล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นมานึกว่าจะคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอีกไม่คิดนะหายไปเลยแสดงว่าเวลาเมาเชื่อถือไม่ได้แล้วอีกครั้งหนึ่งก็ก็เรียนหนังสือเหมือนกันจะอยู่กับเพื่อนเขากินเล่ากัน ตัวมันอยากแสดงความกล้าหาญแถวๆนั้นมันก็มีมีผู้หญิงที่เราไปเช่าบ้านอยู่อ่ะมันล้อมรอบเลยผู้หญิงประเภทที่หาเงินกลางคืนนะสำเป็นไม่ได้ไปตอยแย่สูงสิงนะเพราะมันมุ่งจะเรียนหนังสือกันวันนั้นพอเราพอได้ที่หน่อยเย็นๆไปเคาะห้องเขานะนะเคาพอดีเขาไม่อยู่เออ ก็เราเนี่มันก็แปลกนะมันกล้าที่จะทำเวลามันเมาขึ้นมาแต่ว่าครั้งนั้นทดลองแต่ถ้าหาว่าเมาอยู่ตลอดควบคุมตัวเองไม่ได้ห้ามห้ามหักห้ามใจไม่ได้นี่ก็แสดงว่าไม่มีปัญญานี่แหละพระพุทธเจ้าเห็นโทษก็เลยห้ามก็ไม่เชิงห้ามนะให้เอามาปฏิบัติ เพาถ้าทำถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันไ ม, ม่ประโยชน์มันทำร้ายตัวเองมันทำให้ขาดสติเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจธรรมะเนี่ยมันมันก็คือว่ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองอย่างมีสติปัญญาอย่างมีคุณภาพามีโอกาสอยากมาวัดอย่างนี้ก็แสดงถึงความมีปัญญา มีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วยศรัทธาเนี่ยมันเป็นพลังนะมันมีกําลังถ้าว่าไม่มีศรัทธาเนี่ยแค่ได้ยินเขาพูดเรื่องวัดเรื่องธรรมะโอ้มันลำคาญขึ้นมาเลยนะมันไม่อยากได้ยินได้ฟังเลยแต่คนที่มีจิจตศรัทธานี่ได้ฟังเนี่ยเอออยากจะฟัง ฟังแล้วมันสบายใจมันเหมือนมีสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงจิตใจอะอย่างร่างกายเนี่ยมันมันได้อาหารมันได้น้ำได้เครื่องดื่มเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วมันรู้สึกสบายขึ้นเวลายามหิวยามกระหายแต่จิตใจเนี่ยเวลาได้ฟังธรรมะเนี่ยโหมันเบิก บ, บานอนะมันสบายใจ เนี่ยคนมีศรัทธาเนี่ยถึงจะเห็นคุณค่าของธรรมะมีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาก็รู้ว่าเราจะทำยังไงธรรมะจึงจะเจริญก้าวหน้าขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยลำบากก็ก็อดทนบักก็เสียสละทรัพสมบัติขาวของเงินทองก็ไม่เสียดายเต็มใจเพื่อแลกกับธรรมะ แรกกับอาหารของจิตใจธรรมะนี่เป็นเหมือนอาหารของจิตใจไปอินเดียตามดูลอยลอยบาทของพระพุทธเจ้าสมัยก่อนที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นป่าเป็นเขาทั้งหมดเลยนะอยู่ตามป่าวัดเวรุวันวัดแรกก็เป็นป่าภัยนะเป็นที่ให้อาหารของกระแต ห่างไกลจากชุมชนยิงเขาคีชกูดนี่โหเดินขึ้นไปตั้งไกลนะไม่มีทางรถยนตนะ์ต้องเดินเดินด้วยเท้าแต่ขึ้นไปแล้วอากาศดีเงียบสงบห่างไกลจากสิ่งรบกวนเหมือนเรามาที่นี่ที่นี่ ขึ้นมายากลำบากเหนื่อยแต่ว่าขึ้นมาแล้วสบายใจสบายกายสบายใจเพราะมันห่างไกลจากความวุ่นวายเราอยู่ในเมืองในบ้านในเรือนโอ้โหเสียงอะไรก็ไม่รู้นะยิงท้กกลางค่ากลางคืนอย่างนี้นะเสียงสนันวันไหวเลย มันขาดไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันไม่มีเครื่องอยู่มันไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มันก็ไปพึ่งไปพึ่งเครื่องอยู่ข้างนอกไปอาศัยสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขความสบายคือเอาจิตของตัวเองไปอยู่ไปพึ่งกับไอ้วัตถุข้างนอกบางพึ่งกับคนข้างนอกบาง เรงาวต่างๆข้างนอกแป็นที่จิตเนี่ยมันจะได้พักได้หยุดมันก็ออกไปรับรู้แล้วก็ปฏิกริยาของจิตนี้ก็มีนะเวลามันเห็นอะไรเนี่ยจิตมันก็ต้องคิดไปนะนึกไปปรุงไปเนี่ยบางเรื่องก็มีผลต่อจิตใจบางเรื่อง ก็ทำให้จิตใจของเราในเศร้าหมองขุ่นมัวไม่สบายใจขุ่นเคืองขึ้นในจิตใจทาให้จิตใจของเรารุ่มร้อนก็มีว้าวุ่นก็มีเหนื่อยหน่ายก็มีเดี๋ยวเพราะนั้นมันมันมันเข้ามาได้หลายทางเข้ามาทางตาก็มีผลต่อจิตใจ เข้ามาทางหูเป็นเสียงก็มีผลต่อจิตใจเข้ามาทางจมูกเป็นกลิ่นก็มีผลต่อจิตใจเข้ามาทางลิ้นพวกรสชาติต่างๆก็มีผลต่อจิตใจกระทบถูกต้องทางกายก็มีผลต่อจิตใจแม้แต่อารมณ์เก่าๆมันก็มีสัญญาปรุงแต่งขึ้นมา ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็มีผลต่อจิตใจได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่หัดสำรวมจิตใจไม่มีสติเข้ามารักษาใจเรามันจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นกับใจเราสิ่งแวดล้อมมันก็มีผลต่อจิตใจเราทั้งหมดแต่ถ้าเรามีสตินะจะรู้ทันมันเนี่ย จิตของเราก็วางเป็นปกติได้มันก็จะกลายเป็นธรรมะเป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมืออบรมจิตใจของเราถ้าว่าเราไม่สํารวมเราไม่ปฏิบัติเวลามันมาแล้วมันมีผลต่อจิตเรามีผลแล้วมันทำให้จิตของเรายึดติดคล้องไปกับมันมีอุปท า, านไปกับมัน เป็นกิเลสเป็นกนาขึ้นในจิตใจของเรามีอุปทานเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาปรุงแต่งอยู่ในจิตใจของเราวนเวียนอยู่ในจิตใจของเรามีน้ำหนักขึ้นในจิตใจของเรานี่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้วิธีนะรู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกับจิตใจของทุกๆุกคนแน่ๆถ้าหากว่ายังไม่พ้นทุกต้องมีทุกแน่แน เพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีสิ่งต่างๆมากระทบใจเราหนีไม่ได้เรามีตาเราก็ต้องเห็นเห็นแล้วก็ต้องมีผลต่อจิตใจมีหูก็ต้องได้ยินได้ยินแล้วก็มาสู่ใจมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเข้าสู่ใจเลย ทั้งหนึ่งมีพระองค์หนึ่งบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือพระท่านก็มีศรัทธาบวชแล้วก็มุ่งวังเพื่อจะพ้นทุกข์อยากปฏิบัติธรรมก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าท่านชื่อปุณณนะไปก็ไปกราบพระพเจจาแล้วก็ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าอยากฝังโอวาทยอ่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจรู้วิธีปฏิบัติแล้วข้าพุทธเจ้าจะหลีกออกไปผู้เดียวตามลำพังเพื่อปฏิบัติตามโอวาทที่พระองค์ประตาใ้พระเจ้าข้าเนี่ยบางองค์ก็อยากฟังโอวาทเยอะๆคือคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นเนี่ยพอฟังเข้าใจแล้วก็เอามาปฏิบัติบางทีก็ฟัง ฟังพระสูตรเดียวฟังเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติแต่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ารู้อัธยาศัยเนี่ยถ้ารู้ว่าคนเนี้ยเหมาะสมที่จะฟังธรรมะลักษณะไหนแบบไหนเนี่ยให้มันตรงพระพุทธเจ้าก็เลยพูดธรรมะย่อๆเหมือนกันดูก่อนปุณนนะธรรมดารูป ก, ก็ตาม รูปที่มีอยู่ในโลกเราเนี่ยสิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆก็เรียกว่ารูปรูปคนก็เรียกว่ารูปสัตว์ก็เรียกว่ารูปสิ่งของต่างๆก็เรียกว่ารูปธรรมชาติของรูปเนี่ยสิ่งของต่างๆเนี่ยวัตถุต่างๆคนต่างๆมันจะมีธรรมชาติอันหนึ่งคือมีผลต่อจิตใจบางอย่างก็เย้ายวนใจ ทำให้ใจของเราเนี่ยอยากได้อยากเกี่ยวข้องอยากเอาเข้ามาคือมันมีผลต่อจิตใจถ้าหาว่ามันมันเป็นไปตามที่ความอยากความต้องการมันก็พอใจอยากเอาเข้ามาแต่ถ้าไม่ได้มันก็เกิดความยินร้ายเกิดความหงุดหงิดเกิดความลาคาญเกิดความขุนเคืองขึ้นในใจ คือรูปเนี่ยมันมีผลทําให้จิตใจของเราเนี่ยยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้เธอนีนระวังจิตให้มีสติละมั่ระวังจิตไม่ให้ไหลไปกับมันไม่เพลินไปกับมันไม่ให้นึกคิดถึงมันบ่อยๆไม่พูดถึงมันบ่อยๆถ้าหากว่า เธอเพลินไปกับมันไหลไปกับมันคิดถึงมันบ่อยๆพูดถึงมันบ่อยๆมันจะมาดำลงอยู่ในจิตของเธอเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเข้าใจเรื่องรูปก็เรื่องเรื่องเสียงก็ต้องมีลักษณะอันเดียวกันเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องการถูกส่องสัมผัสเรื่องธรรมอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกัน ไม่ว่าให้ระวังระวังเวลาอารมณ์ที่มันเข้ามาเกิดกับใจเรานี่แหละไม่ปล่อยจิตให้มันไหลไปไม่ เ, เพลินไปไม่คิดถึงเรื่องนั้นซ้ำๆไปซ้ำมาบ่อยๆไอคิดซ้ำๆนี่แหละคืออุปาทานยึดซ้ำๆเร า, าสังเกตได้นะเวลาเรา เรามันมันไปติดเรื่องอะไรมันอะไรมันมีผลต่อจิตเราด้วยมโนคิดเดี๋ยวก็แวบไปแล้วเดี๋ยวก็แวบไปแล้วเนี่ยมันซ้ําๆเนยอะมันเป็นเพราะอุปาทานเพราะนักบุญยังสอนให้เราระวังให้ตั้งสติให้รู้เท่าทันจิตของเราไม่ให้มันไหลไปไม่เคลือนไปกับสิ่งที่มากระทบไม่ว่าเป็นรูปพวกวัตถุพวกข่าวของเงินทอง อาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยสัตว์บุคคลสิ่งของถ้าเราระวังอย่างนี้สติของเราก็จะดีขึ้นมาด้วยสตินี่มันจะมีกำลังเสียงก็เหมือนกันอันนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องอินทรสังวรสำรวมเวลา ตากระทบลูกหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายถูกต้องสัมผัสและใจกระทบกับธรรมารมบางครั้งผู้เจ้าก็นเน้นเรื่องศีลทางทพระบางองค์ไปหาหรือมีคนไปถามถ้าเป็นโยมไปถามท่าเจ้าก็นเน้นเรื่องศีลให้สำรวม ถ้าเป็นพระก็สำรวมในพระปาติโมกแล่ก็รวมความประพฤติการกระทําที่มันจะทําให้จิตใจฟุง้งซ่านจิตใจเลื่อนลอยจิตใจมันไม่เป็นสมาธิไม่สงบแล้วก็ไม่ให้ปล่อยใจให้มันไปคิดในเรื่องที่มันทําให้จิตใจของเราวุ่นวายไม่สงบ ไม่เป็นสมาธิแล้วให้เห็นโทษสิ่งที่จะทําให้จิตใจเราเศร้าหมองทําให้จิตใจเราไม่สงบอะทําให้จิตใจเราวุ่นวายเนี่ยในเล็กน้อยก็ไม่ให้ประมาทให้หยุดเดี๋ยให้เห็นโทษมันก็คือให้หยุดไม่ไปทําให้จิตของตัวเองเนี่ยเศร้าหมองคุนมัวแล้วก็เสริมเข้าไปก็นี่แหละอินทรชังวลศีลเนี่ย คอยระวังจิตของตัวเองเวลาตามันไปกระทบลูกบางทีท่านเรียกว่ามันเป็นเวลามันเป็นอินทรีย์มันเป็นอินทรีย์ก็คือมันเป็นใหญ่ตาเวลามันเป็นอินทรีย์คือตอนมันเห็นตาเนี่ยมันจะเห็นอย่างอื่นเห็นไม่ได้นอกจากตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงเรียกตาว่าเป็นอินทรีย์อินทรีย์คือผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นใหญ่ในการเห็นก็คือตาอย่างอื่นเห็นไม่ได้ผู้เป็นใหญ่ในการได้ยินก็คือหูโสตหูจมูกลิน้นคือเป็นใหญ่จมูกก็เป็นใหญ่ในการได้กลิน่นลิ้นก็เป็นใหญ่ในการรู้รสเพราฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย แล้วแต่ว่าเราจะเน้นหนักในข้อไหนมันก็ไปที่เดียวกันคือไปที่จิตใจของเราแต่ถ้าหลักหลักใหญ่เลยเนี่ยก็คือการมีสติเนีมีสติใหรู้ตัวตั้งสติรู้ตัวแล้วก็ให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่มันอยู่ภายในกายเราภายในจิตเรา นี่จะพูดเดยอะก็คืออยู่ในกายเราอยู่ในจิตเราอยู่กับตัวเราแต่ถ้าขยายออกไปอยู่กับกายบางเวทนาจิตธรรมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟวิญญาณนธาตุหรือบางทีท่านก็พูดในเรื่อง อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายกายคตาสติเห็นร่างกายเป็นของสุปรปกเป็นปฏิกูลเป็นซากศพวังให้ดูทั้งก่อนก็มีดูว่าเออเราอยู่ยังไงเรานั่งอยู่ยังไงอย่างนี้ก็คือดูดูร่างกายเหมือนกัน แต่ดูทางก้อนเลยมันมีอาการยังไงมีกม้มมีเงยไหมเนี่ยตรงไหมนี่ก็คือเอาจิตเรามาสังเกตดูร่างกายมองในแง่เวทนาก็คือว่ามันมีความรู้สึกยังไงในร่างกายเจ็บปวดตรงไหนไหมมันปกติไหมเวทนาทางกาย แลวเวทนาทั้งจิตละ่ะมีสบายใจสบายสบายไหมหรือว่ามันมีความไม่สบายมีมองในมุมของเวทนามองในแง่ของจิตมันมีความคิดนึกปรุงแต่งไหมมันมีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจไหมนี่คือตรงมองดูจิตละมันเป็นกลางไหมหรือมันมีความยินดี ในเรื่องอะไรมีความยินร้ายในเรื่องอะไรถ้าหาว่ามันเห็นพวกนี้ว่ามันอยู่ของมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมันอย่างนี้ก็คือมาดูธรรมจิตเราก็จะวางเฉยจิตเป็นปกติเห็นความ เปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความรู้สึกว่ามันนี่อะไรเป็นเราเป็นของเรามันเป็นแค่ธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คือมาดูธรรมเวลาดูธรรมเนี่ยมันจึงไม่ใช่ว่าเป็นตัวหนังสือหรือเป็นคําพูดแต่ใจเห็นใจดูถ้าขณะไหนที่ใจมันเห็นมีสภาวะธรรมรองรับ แล้วก็จิตมันเข้าใจขึ้นมาตรงนี้เป็นธรรมธรรมมีกำลังมากขึ้นมันจะคลายวางด้วยมันรู้มันเห็นแล้วมันจะปล่อยวางด้วยความรุ่มหลงก็ค่อยๆน้อยลดลงไปด้วยถ้าอย่างนี้เนี่ยวจิตใจมีความเฉริญก้าหนาแล้วการปฏิบัติธรรมของเรามีความเฉลิ่นก่าหนา พอเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือให้จิตของเรามันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราเนี่ยคลายวางออกไปคือมันความลุ่มหลงความยึดความติดความคล้องมันลดลงไปมันน้อยลงไปมี่ถ้าอย่างนี้ล่ะก็ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า เพนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าอสอนให้สร้างเหตุเท่านั้นนะให้มีสติให้จิตอยู่กับตัวเราเนี่ยเพราะนั้นบางทีพระเจ้าก็ย้ำให้ให้ละนิวรณ์คือให้จิตเนี้มันตื่นให้มันมีกําลังต้องคอยสังเกต ว, ว่าเออมันมีความซึมไหมมีความง่วงไหมเนี่ย ถ้ามีก็ต้องหาทางทำให้จิตมันตื่นตัวขึ้นมาแก้ไขทําไม่งั้นไม่ได้มันกั้นหมดเลยนะปฏิบัติไปมันก็ไม่ก้าวหนา้าพร้อมไปก็มันก็ไปจมอยู่ไปจมอยู่ง่วงเหงาซึมเศร้ามันไม่ตื่นเพราะนั้นมันต้องข้ามนิวรณ์ไปคือมันให้มันตื่นพอสมัยปฏิบัติอยู่เนี่ยต่อสู้กับความง่วงนะ ตอนที่ได้ผลดีๆคือคือมันมีเวทนามากๆโมพมมีเวทนามาเนี่ยความม่วงหายหมดเลยจึงใช้นั่งนั่งขัดสมาธิเพชรไม่เคยนั่งเลยนะที่แรกค่ะคือปฏิบัติธรรมดาไปก่อนเดินจงคมนั่งภาวนาก็นานลหลายปีนะ เป็นปีๆนะขนาดไปบวชแล้วเนี่ยปีที่หอย่างเข้าปีที่เจ็ดล้พอพรรษาที่เจ็นี่ละก่อนเข้าพรรษานึกขึ้นมาเออเราเนี่ยก็ปฏิบัติมานานละเราก็ทุ่มเทนะตั้งอกตั้งใจสภาวธรรมก็มีเราก็เห็นอยู่ก็รู้เห็นพอสมควรแต่ทำไมนะมันจึงไม่เหมือนกับมันจะไปที่ใดที่หนึ่งความรู้สึกในจิตเนี่ย เหมือนจิตเนี่ยมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันเห็นสภาวะธรรมแล้วเหมือนกับมันจะพู่งไปที่ใดที่หนึ่งเหมือนมันจะหลุดไปอะไรแบบนี้แต่มันไม่ไปถอยไปถอยมาถอยไปถอยม า, ยยมาเร็วๆเราๆพอปีที่เจ็ดเนี่ยพรนศาที่เจ็ดกอบมาตรวจสอบดูนะเออเรามาบวชเนี่ยจิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันรับรองตัวเองได้นะจิตเราเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อย เหมือนกับมันนะสามารถเอาชนะตัวเองได้มากขึ้นควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นสามารถที่จะบังคับควบคุมตัวเองได้ดีพอสมควรไอ้ น, นิสัยที่ไม่ดีก็ค่อยๆลดลงสิ่งไม่ดีเนี่ยก็บังคับตัวเองไม่ทาได้มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ดีก็บังคับให้ทำได้ตามสมควร ไอ้ที่ตำหนิตัวเองก็ลดลงไปให้สติสมาธิอะไรอย่างนี้เราก็ฝึกฝนอบรมพยายามอยู่ตลอดไม่ได้ไม่ได้ละเลยนะคือมันก็มุ่งอยู่อย่างเนี้แต่ว่าทําไมนะเราจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดย้คือเป้าหมายมันมันไม่ได้หวังอย่างอื่นนะ มันก็หวังธรรมะของมุทธเจ้าหวังความพ้นทุกข์ก็ตัดสินใจว่าเออเราจะนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วเราเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยคือมันก็นึกถึงของครูบาอาจารย์ว่ามันเคยอ่านหนังสือไอ้เกี่ยวกับไอ้รการปฏิบับติของหลวง ต, ตามหาบัวนี่โอ้ท่านนั่งทั้งคืนเนี่ยเราถ้าจะไม่ไหวมันว่า นั้นเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็หาวิธีเหมือนกันนะก็เลยนั่งคัดสมาธิเพตแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะสำรวจดูสิว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นที่ของเราสรีระของเราแบบนี้มันมีเวทนาแล้วเราทนได้ขนาดไหนจับเวลาเลยนะ ทดลองอยู่อาทิตย์หนึ่งก็รู้ว่าเรานั่งขัดสมาธิเพชรในท่าถ้าเอาข้างขวาขึ้นก่อนแล้วเอาข้างซ้ายขึ้นเนี่ยมันจะได้เวลาเวลาระดับหนึ่งแต่ถ้าเอาข้างซ้ายขึ้นก่อนแล้วขวาขึ้นเนี่ยมันก็มีเวลาของมันเนี่ยต่างกันนิดหน่อยเอาละ่ะทีนี้เราก็เอาแล้วทีนี้เริ่มจับเวลา จะเริ่มนั่งคัสมาธิเพชรรู้เวลาแล้วก็เพิ่มเลยเพิ่มเวลาขึ้นไปเรานั่งได้เท่านี้แล้วเอาให้มันเลยขีดที่เราเคยเคยทนได้หมายว่าไปถึงจุดหนึ่งมันอยากจะเลิกโอ้โหยังเลิกเช่นิดทนไม่ไหวนะอธิษฐานเพิ่มทันดีเลยใช้ใช้ใชวทนาบังคับแล้วทีนี้ แล้วก็ตอนนั้นมันก็ปฏิบัติมาพอสมควรแล้วมันก็เข้าใจอยู่แล้วยอมรับว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้ววิถนามไม่ใช่ของเราเอาไหนว่ามันไม่ใช่ของเราดูสิเนี่ยมันทำไมมันจึงปล่อยวางไม่ได้มันจะเอาอันนี้มาเป็นเครื่องมือฝึกตัวเองแล้วก็มันก็มุ่งที่จะแก้ไขความง่วงเหงาหมานอนด้วย พอดอธิษฐานเพิ่มโอ้โหมันตื่นตัวนะมันได้ต่อสู้ตรงนั้นนะ่ะได้สอนจิตของตัวเองอบรมจิตของตัวเองแล้วก็เห็นอาการที่จิตมันมันปล่อยเวทนาได้นะ่ะพอปล่อยวางเวทนาได้จิตมันเป็นเบขาได้โอโ้ขาวนี้มันเห็นความจริงนะกายก็อยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตเนี่ย อะไรเกิดขึ้นเห็นหมดในตัวเรานี่นะเห็นข้างในอ่ะนะเหมือนเห็นด้วยตาเนี่ยจักขุกรณีจักขุกรณีเนี่ยหมายว่าเหมือนเห็นด้วยตาเพรา ะ, ะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามันมีความก้าวหน้ามันจะต้องไปถึงจุดจุดหนึ่งที่จิตเนี่ยมันเห็ น, ม, น, หนมันเห็นสภาวะธรรมเห็นด้วยจิตจิตมันเห็น แล้วความรู้สึกมันก็บอกมันก็มีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เห็นเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยนี่ความรู้สึกมันบอกนั่นก็คือเห็นแล้วก็รู้ขึ้นมายังไม่บรรลุทำอะไรนะแต่รู้สึกว่าโอโ้มันมีรสชาติมากเลยไอที่เคยเห็นยิบยีบแยบแยบเล็กๆล็น้อยน้ยนี่แหมมันคนละ คนละระดับเลยมันมีความรู้สึกว่าตอนที่มันจิตมันมันมีกําลังแล้วมันวางเวทนาได้เนี่ยมันเหมือนมันตื่นตัวเต็มที่แล้วมันเหมือนเหมือนเห็นอยู่เฉพาะหน้าจิตใจก็มีกําลังมากแล้วก็มีความไอทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นนะแต่ภายในใจเนี่ยมันอิ่มเอิบเบิกบานนะ ตอนมันเจ็บมันก็เจ็บอยู่นะมันไม่สบายก็รู้อยู่แต่มันไม่ไปเข้าไปถึงจิตบางครั้งมันก็ถึงนะถึงแต่อดทนไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันก็วางของมันได้อีกแล้วมันก็ไปอยู่เบขาแล้วมันก็มาดูขันห้าเหล่านี้แหละจะเรียกว่าดูกายเวทนาจิตธรรมก็ใช่จะดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ใช่อันเดียวกันเลยแล้วแต่จะมองนนที่นี่จะมองมุมไหนก็ได้ ทาไป ม, มาดูกายก็ดูว่ารูปประขันเนี่ยก็ได้หรือว่ามองว่าเออสักแต่ว่ากายนะมันมองดูเวงนะสักว่าเวทนานะมันเจ็บก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันก็วางออกไปบางทีก็มีคุกกันนะโอ้โหเวลามันคุกนี่ก็โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเนะจิตหนิวร้อนเลยนะแท้ทนไม่ไหว มันทนไม่ไหวจิตนี่มันจะพูดขึ้นมานะนอ้ขยับดีไหมเนี่ยเออมันมันพูดได้นะจิตเนี่ยอไอตัวปัญญามันก็บอกว่าไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยมันก็จะคุมไว้ไอตัวนั้นก็หายไปเดี๋ยวมันบอกเอเนี่ยมันมันมันทรมานตัวเองนะเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวมันเดินไม่ได้นะไอปัญญามันก็จะต่อไป เรากําลังฝึกตัวเองนะกําลังเอาธรรมะนะเนี่ยจะอ่อนแอไม่ได้นะเนี่ยมันก็จะสู้กันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทีนี้มันมันเลยเหมือนคนสองคนทีนี้เออเหมือนคนสองคนอยู่ด้วยกันน่ะไอตัวหนึ่งก็เป็นฝ่ายต่ำใช่ไหมไอตัวหนึ่งก็ฝ่ายสูงเนี่ยมันเกิดเองนะมันก็ดูอยู่อะไอตัวดูก็ดูอีกนะเนี่ยเป็นเหมือนสามคนเหมือนกับไอสองคนเนี่ยมันมันมันมันสู้กัน เอาพอมันได้มันก็นิ่งไปมันก็ดูเฉยๆอ่ะอีกหน่อยมันก็เอถ้าเกิดมันเราเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะแย่นะนะไอตัวปัญญามันก็ไม่ถอยนะให้มันเป็นซะก่อนเนี่ยมันมันมันก็สู้ข้องมันเลยนะแต่มันก็อยู่ได้เอตอนที่มันตอนที่มันชวนเลิกเนี่ยโอ้โหมันแวบเข้ามาเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ ตันแวบเข้ามาตอนที่มันอยากจะเลิกคือมันแว็บเข้ามาในจิตเป็นเราขึ้นมาเห็นความรู้สึกว่าเป็นเราด้วยแล้วก็เห็นว่าเนี่ยนี่คือตัวตัณหาที่แท้จริงวิภาวตัณหามันอยากสบายมันก็เลยไม่พอใจไอ้ตัวไม่สบายมันอยากให้ตัวสบายไม่ไม่สบายหายไปมันก็เข้ามาเห็นตัณหาว่าโอ้โหเนี่ยตัณหาอยู่ในจิตเลยเหรเนี่มันไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือนะ มันเป็นเรื่องของจิตนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปอ่านอะไรมากๆรู้มากๆแล้วก็คิดว่าปฏิบัติเดี๋ยวเดียวเนี่ยจะบรรลุธรรมด้ไม่แน่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการเห็นของจริงต้องรู้แล้วก็เห็นด้วยแล้วจิตใจเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็คลายวางด้วยตัวมันเองด้วยเนี่ยนั่นแหละตอนนั้นก็โอ้มันมีรสชาติมากเลยนะ เพราะนั้นต่อมานี่เวทนานี่ไม่กลัวเลยนะบางทีนั่งนั่งไปเนี่ยต้องได้สวดปาติโมกต้องได้ท่องมนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลับต้องได้สู้กันเนี่ยหาทางให้มันตื่นด้วก่อนพอเวทนามาปั๊บนี่มาแล้วมาแล้วจิตมันพอใจเลยนะทีหลังมาแล้วมาแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนกับกจ็จะขึ้นเวทีแล้วพู้นี้ไงจะขึ้นเวทีกันแล้ว มันมันมีคู่ชก ค, คู่ต่อสู้ที่เหมาะสมมันเหมาะสมมันพอดีกันแล้วมันสนุกคล้ายๆอย่างนั้นนะก็อาศัยเวทนาทําให้จิตเนี่ยมันมีกําลังสติก็จดจ่ออยู่ที่เวทนาเลยนะมันไม่ได้ไปไหนนะเนี่ย ก, ก็สติเราก็มีกําลังมันไม่ไปไหนอะ่ะ ถ้ามีสติตรงไห น, นสมาธิก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้น้ลยนะคือมันดูไปไอตัวดูมันชัดขึ้นมาแล้วไอเวทนาก็เป็นแค่สิ่งถูกดูไปเนี่ยก็เลยเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ของเราอีกเนี่ยมันเริ่มมีปัญญาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าช่วงไหนเวทนามันเพิ่มมันกล้ามันมีกำลัง โอ้แรงดึงดูดมันก็มากนะจิตเหมือนไหลเข้าไปจมอยู่กับมันเลยนะเหมือนไอเวทนามันครอบงำจิตเลยเหมือนกับไอจิตเนี่ยมองดูจิตมันมีแต่เวทนาเห็นแต่เวทนาเหมือนกับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานมันบีบจิตเลยเนี่ยตรงนี้มันก็อยากเลิกอยากถอยนะ มันอยากหนีอยากขยับไอตัวจิตใจที่มันมีศรัทธามีความมุมันมีความเพียรมีความอดทนเนี่ยนะมันก็สู้กันกำลังมันมากขึ้นไอแทนที่มันจะไปดูเวทนามันก็มาดูจิตคือไอสติเนี่ยมันก็เข้ามาประกอบอยู่ในจิตเป็นกำลังของจิตสมาธิก็เป็นกำลังของจิต ความพยายามก็เป็นกำลังของจิตปัญญาที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นก็เป็นกำลังของจิตศรัทธาในใจของเราที่มันพาถักใจเราให้มุ่งมั่นเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเนี่ยมันก็เป็นกำลังของจิตมันไม่ถอยก็เห็นนะมันก็ถอยจิตมันถอยเองนะมันวางของมันเองไม่ใช่เราวางนะมันวางทีแรกก็ถอยออกมันก็ออกมาออกมามันก็มาอยู่เป็นกลางนะ เป็นกลางมาอยู่กับจิตแล้วแล้วก็เห็นความจริงบางทีมันก็ดูเวทนามันก็พอเวทนาเบามันก็ดูกายนะเวทนากับร่างกายมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเวทนาก็อาศัยร่างกายเกิดขึ้นพอเวทนาเบามันก็ไปดูกายแช่มันก็เห็นร่างกายเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกัน่ะบางทีมันก็ดูเป็นรูปบางทีก็ มันมันลึกเข้าไปกายในกายมันก็ดูลมบางทีก็ดูลมลมมันก็แค่อาการไหวๆอยู่ข้างในอะ่ะเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปดูตรงนั้นตรงนี้เออมือกายมีทางอาแรงขึ้นมาก็ดูเวทนาเสียจิตมีอาการมันก็มาดูจิตมีสติปัฏฐานสี่ชัดเจนเลยนะคลอนวางได้มันก็เป็นธรรมเสียสักแต่ว่ารู้ เป็นธรรมะเกิดขึ้นแต่ก่อนเห็นแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่ต่อเนื่องกําลังไม่พอเห็นตอนนี้รู้สึกโอ้โหจิตใจเนี่ยมันมีกําลังแล้วก็เบิกบานแล้วก็แน่ใจเลยนะที่นี้รู้ว่าเอาทางของตัวเองเนี่ยต้องสร้างกําลังใจต้องมีความอดทน ต้องเลยต่อสู้แล้วมันถึงจะมามาเห็นเนี่ยว่าขันห้าเนี่ยว่าไม่ใช่ของเราค่อยๆเห็นนะเห็นกายบ้างเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นแต่ก่อนเห็นแต่ไม่ค่อยชัดหรอกนานๆเห็นทีหนึงปฏิบัติไปกว่าจิตจะสงบ กว่าจิตจะมีกําลังงดเป็นวันๆเลยนะพอได้มาต่อสู้กับเวทนาเนี่ยโอ้โหมันมันมีกําลังได้เร็วอะ่ะบางทีนั่งที่เดียวเนี่ยอาศัยจิตใจที่มีกําลังมีความอดทนอนะ่ะมันก็เลยได้กําลังแต่กว่าที่จะสู้ได้เนี่ยมันก็ต้อง โ, อโหใช้เวลานานเหมือนกันนะแต่เมื่อก่อนเนี้ย มันก็สู้อยู่แต่สู้แบบตามวิธีธรรมดาของเรานี่แหละก็คือปฏิบัติไปเดินชงคมหนังภาวนาเออ ม, มันมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นปฏิบัติไปเนี่ยไม่ได้ต่อสู้แบบจริงจังไม่ได้เด็ดเดี่ยวไม่ได้อดทนอดกลั้นกําลังใจมันก็อย่างน้อยพลังพลังสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ย มันไม่สามารถเป็นพละหา่าได้มันก็ยังเป็นมีสติมีสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานสี่ตอนตอน้ตนๆปัญญาก็ปัญญาอ่อนๆเป็นปัญญาเบื้องตอน้นพอสู้แบบนี้นิวรณก็หายความง่วงนี่หายเลยเวลามันเจ็บปวดนะบางทีก่อนจะนั่งเนี่ยมันมีเรื่องอมีเรื่องราวในจิตใจ เราก็พยายามนั่งสมาธิไปพอเวทนามานี่ส่งจิตไปคิดเลยคิดสิคิดสิเอาเรื่องที่มันเคยคิดไม่ไปนะโ อ, อนิวรนิวรณ์อทีนามิธานิวรณ์นี่ก็หายกามชันทานิวรณก็หายอุทะจากุกุจักก็หายพยาปทานิวรณ์ก็หาย วิจิชานิวรก็หายดับไปหมดเลยนิวรเ น, นี่ยจิตมันก็เลยตื่นตั้งมัน่นเนี่ยนี่แหละพระที่จ้าจึงบอกว่าต้องพยายามให้จิตตื่นบางทีทั้งกรียลวะธรรมที่ทำให้จิตตื่นยวิวะชาคิยานุโยคะการทำให้จิตตื่นมันจึงต้องพยายามมีสติต้องมีความเพียรมีความอดทนให้ต่อสู้ ต่อมานี้ไม่กลัวเลยเนาะเวทนาเนี่ยสวนนั่งปับลงไปเวทนามานี่ตอนหลังมารู้เลยเอาเป็นเครื่องมือฝึกจิตได้ทันทีเลยถ้าใหม่ม่มันเจ็บปวดเนี่ยเราฝึกความอดทนก่อนก็นกได้เอเอเจ็บปวดเราจะรู้สิเราทนได้แค่ไหนใาจิตเราจะยอมรับไหมว่าเวทนาเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิต อันนี้มันมีปัญญาเพิ่มขึ้นหมายว่าจิตเนี่ยถ้ามันไปยึดเวทนาว่าเป็นเรามันจะเจ็บปวดมันจะทุกข์ทรมานหมายถึงว่ากําลังจิตมันไม่พอนั่นเองปัญญามันไม่ถึงทําปัญญาถึงมันจะวางได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนี่นะถ้าปัญญาเข้าถึงแล้วเนี่ยปัญหาหมดไปเลยนะทุกเรื่องอย่างเราว่าเมื่อวันก่อนที่เขาโทรมา คือมันมันทําให้เข้าใจเรื่องปัญญาเนี่ยมันแก้ปัญหาได้เอาโทรมาแล้วก็ไปซื้อที่ซื้อที่เสร็จแล้วโอนเสร็จเรียบร้อยเจ้าของที่บอกว่าที่ของเขาเนี่ยมีคนมาเช่าเลี้ยงไก่ทําฟาร์มไก่อยู่ให้ไปตกลงกันนะว่าจะให้เขาอยู่ต่อหรือว่าให้เขาออกไปค่าเช่าก่อ ปีละกี่หมื่นก็ไม่รู้ล่ะทีนี้เขามีความไม่สบายใจเพราะคนนี้เขาปฏิบัติธรรมเขาไม่อยากให้มีการเลี้ยงไก่ในที่ของเขาเพราะถ้าเลี้ยงไก่เนี่ยเขาเหมือนกับว่ามันเป็นบาปเขาจะมีส่วนในบาปนั้นมันผิดศีลฆ่าสัตว์แล้วเลี้ยงทีงเป็นหมื่นๆตัวเขาก็บอกโอ้ตายแล้ว เล้ยงไก่เป็นหมื่นหมนข่นคาไก่ตายเป็นหมื่นหมื่นนะแต่ละงวดแต่ละงวดเขาทุกข์ใจทีนี้พอไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าเนี่ยเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาหมดไปแล้วเจ็ดแสนลงทุนไปเพิ่งเลี้ยงไก่ได้ครึ่งปีเท่านั้นเองสัญญากันห้าปีไทเขาออกไปเขาแย่แน่เลย เขาล่มจมทีนี้คนที่เป็นเจ้าของที่ใหม่เนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้จะให้คนเจ้าของฟาร์มออกไปก็ไปทําร้ายเขาเพราะเขาก็กู้หนี้ยืมสินมาตั้งเจ็ดแสนไม่มีเงินใช้หนี้เพราะเขาตั้งใจว่าจะเลี้ยงไก่ ครบห้าปีแล้วเขาก็จะได้กำไรใช้หนี้หมดแล้วได้กำไรด้วยเขาคำนวณไว้เสร็จเรียบร้อยเลยระหว่างคนกับไก่จะช่วยไก่คนก็ลำบากเดือดร้อนช่วยคนไก่ก็ต้องมาตายตัวเองก็ว้าวุ่นเป็นทุกข์ คิดยังไงก็ไม่รู้นะโทรศัพท์มาพอเราเรารู้ปัญหาก็เลยบอกว่านี่นะอันหนึ่งสีนันหนึ่งธรรมไม่อยากมีการฆ่าสัตว์แต่ถ้าหาว่าไล่เขาไปก็เหมือนไม่มีเมตตาเนี่ยไม่มีเมตตาธรรมก็อธิบายให้เขาฟังนะบอกว่านี่โยมไม่ได้ไปเกี่ยวกับไอ้ฆ่าไก่หรอกพโยงก็ไม่ ไม่รู้จักว่าเขามีฟา ร, ร์มด้วยซื้อโอนเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีคนเช่าทำฟา ร, ร์มไก่ให้เจรจาแล้วเจตนาก็ดีอยู่แล้วคืออยากช่วยไก่แต่ถ้าช่วยไก่คนก็เดือดร้อนเนี่ยก็ต้องช่วยคนช่วยคนไม่ช่วยไก่เลยก็เหมือนไม่มีความเป็นธรรมกับไก่ ก็เลยบอกว่าเอางี้ให้ให้เวลาเขาอาจจะสักครึ่งนึงหรือเท่าไหร่เนี่ยตอลองไม่ว่าให้เวลาเขาให้โอกาสเขาจะได้ไหมแต่ว่าเรื่องที่กลัวว่าคือถ้าเขาเลี้ยงแล้วตัวเองกลัวบาปไม่ใช่เพราะไก่กับคนคนนั้นะ่ะมันเป็นคู่กรรมเขาเป็นเรื่องกรรมของไก่ เจตนาของเราดีอยู่แล้วไม่อยากให้เขาฆ่าไก่และเราก็ไม่อยากให้คนนี้เขาเลี้ยงไก่เพื่อฆ่าแต่เขามีความจําเป็นของเขาเนี่ยอำนาจของกรรมมันเด็กเลี้ยงไม่ได้เขาเขาไม่อยากให้คนเขาเลี้ยงไก่ทําฟาร์มไก่ไม่อยากให้คนฆ่าไก่แต่ไก่มันต้องถูกเชื้อถูกฆ่าเพราะมันเด็กเลี้ยงไม่ได้นี่คือกรรมของไก่กับคนนั้นไป เราก็อย่าไปแบกกรรมของไก่เราก็าอย่านี้นะอย่าไปแบกกรรมของไก่กับคนนั้นเขาก็หัวเราะแล้วก็พูดกับเขาให้มันให้เวลาเขาสักระยะหนึ่งอ๋อเขาบอกอยู่ว่าเขาขอเวลาสองปีเออถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเขาบอกปัญญาเขาน้อยก็เลยทุกทุกจนไม่ไม่รู้จะปรึกษาใครเราก็พออธิบายให้เขาฟังว่าอ้อีนปัญญาเนี่ย มันเข้าถึงแล้วมันไม่ทำให้คนเป็นทุกข์เลยมันมีทางออกตลอดเลยทางออกให้กับจิตใจนะไม่ใช่ทางออกทางร่างกายนะร่างกายมันก็คือถ้าหาว่าจิตมันมีปัญญาแล้วมันก็เอามาใช้ดูแลร่างกายเอามาเกี่ยวข้องกับร่างกายเอามาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องแล้วเขาก็พูดว่าเออเงินที่ได้มาจากไอ้ค่าเช่า ทำฟามไก่นี่โยมจะเอาไปทําบุญให้หมดเลยเราก็อนุโมทนานะก็เราก็ว่าโอ้โยมคนนี้เขาก็เป็นคนดีนะมีศีลมีธรรมนี่มันแสดงออกมาโอ้มันหายากนะเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราเกี่ยวข้องกับคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันเบิกบานใจนะพูดอะไรไปเนี่ยมันก็แบบเห็นใจมีเมตตามีการุณา มันไม่ไปเอาลัดเอาเปียบใครไม่ไปทำร้ายทาลายใครแล้วมันมองออกไปข้างนอกโลกเนี่ยมใช้คำว่าโลกนี่คือมันกว้างขวางอะสิ่งแมดล้อมทั้งหลายมันสลดใจมากเพราะมันไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอนไปอินเดียก็มีคนถามนะเขาตั้งคำถามบอกว่าเขาเห็นคนข้างบ้านไปปฏิบัติธรรม แต่กลับมาบ้านแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะเหมือนปล่อยวางไว้อย่างนั้นไม่ทําอะไรเลยเขาถามว่าทําให้เขานี่ไม่กล้าปฏิบัติเพราะว่าถ้าปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนี้อะไม่รู้จะไปปฏิบัติทําไมไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยเขาว่าเขาก็สงสัยเราก็บอกเออถ้าเป็นอย่างนั้นแ ส, สดงว่าเพี้ยนเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมนี่มีปัญญาเนี่ย เวลาออกมาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกมันต้องเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องด้วยสมควรทํำยังไงก็ทําเนี่ยเมื่อทําด้วยสติด้วยปัญญามันก็นผลดีเนี่ยพอข้างนอกถูกต้องมันก็ทําให้ ใ, ใจข้างในสงบเยือกเย็นด้วยเนี่ยมันต้องไปด้วยกันได้ข้างนอกกับข้างในแต่นี่มาแล้วเนี่ยไม่ทําอะไรเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลยเคยทําก็ไม่ทํา การงานก็เ น, นี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตใจมันสงบจิตใจมีสติมีปัญญาภายในเวลามาเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันอาศัยจิตใจที่สงบที่มีสติมีปัญญาเนี่ยมาพิจารณาว่าเราควรเกี่ยวข้องขนาดไหนมันจึงเหมาะสมกับเหตุกับปัจจัยของมันมันควรสมควรแค่ไหนเพียงไหนเนี่ย เรียว่ามันใช้ปัญญานาหน้าใช้ปัญญาในการเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นถ้าใครใช้ปัญญานาหน้าในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้นบอกให้รู้ว่าข้างในอ่ะมีปัญญาคือบางทีพรูอยาวอนไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยก็คือว่าต้องการให้จิตข้างในเนี่ยไปรู้ความจริงข้างในซะก่อนให้มันเข้าไปเห็นของจริงความจริง เพราะมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันต้องไปเห็นไปเห็นแล้วจิตเห็นแล้วจิตคลายวางจิตสลัดออกจิตเข้ามาเป็นอิสระอย่างนี้มันมันมันได้๋ยวมปล่อยวางมันเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาด้วยตัวจิตเองเนี่ยแต่ว่าพอพอบางคนอ่ะไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินิดหน่อยสภาวธรรมมันยังเข้าไม่ไม่เข้าไปรู้ไปเห็นด้วยจิตอะ ก็อยากจะปล่อยวางอะก็เลยบังคับให้ปล่อยวางไปเลยอันหนึ่งปล่อยวางเพราะว่าจิตเนี่ยมันปล่อยวางเองมันเข้าไปเห็นความจริงแล้วมันปล่อยวางอีกอันหนึ่งเนี่ยบังคับให้ตัวเองนี่ปล่อยวางใครๆมายึดมั่นถือมั่นล่ะมันเป็นอนัตตาตรงมายึดมั่นถือมั่นก็คือตั้งใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยแต่ข้างในมันไม่เป็นมันก็เลยเกิดความขัดแย้ง มันไม่ลงตัวแต่ถ้าข้างในมันปล่อยมันวางข้างมันได้มันจะเป็นธรรมชาติมากเลยนะมันจะมาดูว่าเออมีความเหมาะสมเหมาะควรยังไงเพราะมันวางข้างในแล้วมันมาเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอีกอันหนึ่งนม่วางข้างในก็ไม่ได้แล้วก็จะไม่เกี่ยวข้องข้างนอกเลยอ่ะเพราะถ้าเกี่ยวข้องกับข้างนอกแล้วมันจะกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นมีกิเลสตัณหาทางานก็ไม่ได้กลัวเป็นกิเลส อันนี้มันไม่ถูกต้องถ้ามันมีสติทําอะไรก็มีสติมันก็ทําได้มันก็เลยเป็นธรรมชาติไปมีควรทําก็ทำบางอย่างเนี่ยทาไปได้เป็นงาน ข, ข้างนอกก็ได้ด้วยแล้งงานข้างในก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยมันก็เกิดผลดีเกิดปีติเกิดเป็นปลาโมดขึ้นมารื่นเริงบันเทิงใน จ, ใจิตใจเบิกบานใจอิ่มใจเพราะการกระทำของตัวเอง แล้วก็มีความสงบภายในมีความสุขอยู่ข้างในการกระทำมันมันเป็นคุณค่าอันหนึ่งของชีวิตเรามันเป็นคุณค่าแก่ใจเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำความดีสิ่งไม่ดีไม่ให้ทำเพราะมันละคายเรืองมันรบกวนจิตใจเพราะนั้นการที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเริ่มด้วยการไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีต้องไม่ทา พยายามไม่ทําพยายามทําสิ่งที่ดีเนี่ยทำมันไม่ทําไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทํามันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําความดีให้ถึงพร้อมให้มากขึ้นแล้วก็มาชําระจิตใจก็คือมีสตินี่แหละถึงจะมาชํำระใจได้มีสติแล้วจิตใจมันเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็สรุปลงคือว่ามันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็เลยเป็นธรรมะไปเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนพระเหมือนกันสอนเข้ามาหาใจให้ระวังใจเวลาเข้ามาดูก็ดูใจแต่ทีนี้ใจเนี่ยจะดูใจอย่างเดียวมันมันเป็นนา ม, มาธรรมอ่ะกําลังไม่พอเนี่ยบางทีมันก็หลุดลอยไปได้ง่าย ก็เลยต้องมาดูกายด้วยอันไหนเด่นก็ดูอันนั้นเนี่ยสรุปแล้วอันไหนเด่นดูอันนั้นกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างแตข่ขยายออกไปก็จะดูในรูปในแง่ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้รูปก็เป็นถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟจิตใจก็เป็นวิญญาณธาตุเนี่ยมันก็คือธรรมชาติไปหมดเลยเนี่ยพระเจ้าสอนเนี่ย คือความหลงผิดเท่านั้นแหละที่มันหลงว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ต้องให้จิตเราละความเห็นผิดละความหลงผิดนี้ให้ได้แล้วมันจะต้องมาเห็นความจริงด้วยมันถึงจะหลานได้ถ้าไม่เห็นความจริงมันละไม่ได้พอพระองค์นั้นท่านเข้าใจแล้วเนี่ยท่านก็พอใจรับฟังแล้วเข้าใจแล้วจะไปปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าแล้วแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนฮะ เ่านี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะไปอยู่ในสุนาปรันตชนนบทตนี่ใข่าวว่าคนที่นั่นน่ะป่าเถื่อนไม่ใช่เหรอนะอ้ะาพุทธเจ้าติงนะถ้าเธอไปเนี่ยเขาป่าเถื่อนไม่ใช่เหรอถ้าเกิดไปแล้วเขาด่าเธอเธอจะทำยังไงนี่ถ้าหาว่าสิ่งแวดล้อมอ่ะมันกระทบต่อเรา แล้วเธอจะทํายังไงเหมือนชีวิตเรานี่แหละบางสิ่งแวดล้อมบางทีคนนั้นคนนี้เหตุการณ์ตรงนั้นตรงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันกระทบเราในทางที่จะทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนถ้าเขาไปแล้วเขาด่าเธอเขาไม่ต้อนรับเธอเขาด่าเธอเขาขับไล่เธอเธอจะทํำยังไงข่าพระพุทธเจ้าก็จะบอกกับตัวเองว่าข อ, อเขาแค่ด่าเราเท่านั้นดี ที่เขาไม่ลงไม้ลงมือนานพระเจ้าก็พูดต่อไปถ้าเกิดเขาลงไม้ลงมือล่ะแน่เขาเจ้าก็จะบอกกับตัวเองว่าเขาแค่ลงไม้ลงมือดีกว่าเขาคว้างด้วยก้อนหินก้อนดินถ้าเกิดเขาคว้างด้วยก้อนหินก้อนดินล่ะพระเจ้าซักต่อไปเรื่อยเขาเจ้าก็จะบอกกับตัวเองว่าเขาแค่คว้างด้วยก้อนดินก้อนหินดีกว่า เขาทุบตีด้วยท่อนไม้ถ้าเกิดเขาทุบตีด้วยท่อนไม้ล่ะอ๋อเขาแค่ทุบตีด้วยท่อนไม้ดีกว่าเขาหามีดแทงด้วยมีดถ้าเกิดเขาแทงด้วยมีดล่ะพระเจ้าซักต่อไปอีกนะอ๋อข้าพเจ้าก็บอกว่าดีแล้วคนตั้งมากมายแม้แต่สาวกของพระองค์ก็มีเหมือนกันแหละที่ต้องฆ่าตัวตายอะ่ะ ต้องไปหามีดหาอาวุธมาฆ่าตัวเองอย่างนี้มีคนมาฆ่าก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปหาอาวุธมาฆ่าตัวตายคือสบายไปหมดทุกอย่างเลยพระเจ้าบอกเออถ้าอย่างนั้นเธอไปได้คือคิดให้มันสบายไปหมดอ่ะตายก็ตายสรุปแล้วคนไม่ตายไม่มีคิดจบเลยเหมือนชีวิตของเราเนี่ย่ะเขามีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม เราจะเอาประโยชน์จากมันนี่คือฝึกจิตใจของเราให้มันมีสติมีปรรัญญาบางทีมีเหตุการณ์เนี่ยโอ้นบังคับนะถ้าว่าเรามันมีโอกาสที่ทำให้จิตเราเป็นทุกข์เราปล่อยวางได้นี่แหมมันได้กำไรมากเลยนะจิตของเราสูงขึ้นเยอะเลยแล้วไม่ต้องไปคิดเอาด้วยเหมือนกับมีคู่ต่อสู้มาให้เห็นเฉพาะหน้าเลย มีเรื่องมีเรามีโอกาสแล้วเราดับทุกข์ในใจเราได้ไหมเราแก้จิตใจเราได้ไหมถ้าเราแก้ได้นี่นั่นแหละแสดงว่าเรามีปัญญาเรามีธรรมะไม่เสียทีที่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าไม่เสียทีที่เรามาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เสียทีที่เราปฏิญาณตนว่าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง เพราะนั้นถ้ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันทําให้จิตของเราเนี่ยมันไปยินดีมันไปพอใจถ้ามันเป็นเรื่องเสียหายถ้าเรามีกําลังใจพอที่จะยับยั้งมันนะหยุดมันได้นี่แหละแสดงว่าธรรมะของพุทธเจ้ามีประโยชน์ต่อเราแสดงถึงจิตใจเรามีธรรมะจิตใจเรามีกําลังมีศีลมีสมาธิปัญญาก็ได้หรือมีสติมีปัญญาก็ใช่ หรือมีธรรมะก็ใช่ต้องเอาขณะที่มันมีเหตุการณ์ขณะที่มันมีโอกาสที่จะทําให้ใจเราเป็นทุกข์เขาเป็นเครื่องวัดเนี่ยสรุปแล้วการปฏิบัติก็เพื่อนี่แหละเพื่อสอนใจเราอบรมจิตใจเราให้ใจมันรู้ความจริงใจมันปล่อยใจมันวางเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย มันมีเหตุการณ์มากมายที่จะมากระทบใจเราทำให้เราเป็นทุกข์ได้มีเงินมีข้าวของเงินทองมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เรื่องราวต่างๆก็สามารถเข้ามาทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาความทุกข์ต้องน้อยลงไปความทุกข์กลายเป็นหินรับสติปัญญาของเราเลยไรความทุกข์นี่แหละ ที่มันเป็นแบบทดสอบอย่างดีเลยแล้วพระเจ้าสอนเนี่ยพระเจ้าสอนให้ดูทุกข์ให้เห็นทุกข์ด้วยเพื่อให้เห็นทุกข์สมาธิจิตที่แท้จริงเนี่ยก็คือจิตของเราที่มันไปเห็นไปเห็นความจริงอะ่ะมันไม่ใช่เป็นความคิดนะสมาธิจี่ของพระเจ้ารู้ว่านี้คือทุกข์นะเห็นเห็นในจิตเห็นว่า เออกายนี่มันก็เป็นของเกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยเออมันเห็นมันเห็นอย่างนี้มันจึงเป็นสมาธิที่แท้จริงเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือมีทุกข์ในจิตมันที่จริงมันมันเป็น no. มันมันอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่ว่าพอเราเนี่ย ไม่ได้ดังใจเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการขึ้นมาเนี่ยมันมาเป็นทุกข์ในจิตเรานี่หล่ะท่านให้กําหนดรู้ท่านว่านี่คือทุกข์หรเห็นสักขันห้าเพราเป็นตัวทุกข์นี้คือทุกข์คอยตอนสู้เวทนาเห็นชัดเจนตรงนี้พอมันเจ็บมันโปวดขึ้นมาเนี่ยแต่แปลกเวลาดูเวทนาไปบอกจิตมีกําลังเนี่ย มันไม่ได้ไปดูเวทนามันมาดูความเกิดดับมาดูว่ามันไม่ใช่ของเรามันเกิดดับขณะที่มันดูความเกิดดับมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันอีกอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากเพราะว่าจิตมันมาสนใจความเกิดดับมันมาจดจ่ออยู่ที่ความเกิดดับตัวความเกิดดับนี่มีกาลังมันเหมือนมันเป็นตัวตัวตรงกลางระหว่างจิตกับเวทนา มีความเกิดดับอยู่ตรงนั้นมันเกิดดับอยู่ในจิตอ่ะจิตไปเห็นความเกิดดับตรงเนี้ไอเวทนามันก็มีอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าเวทนาเลยเป็นของเกิดดับไปเออเนี่ยมันมันมันมันมาเป็นอย่างนี้ตอนที่เห็นตอนปฏิบัติอบางทีมันก็เห็นว่าไม่ใช่ของเราไปเลยบางทีก็เห็นว่ามันเกิดดับคือตัวเกิดดับนี่มันแสดงออกแสดงจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเวทนามันเกิดดับ นี่เกิดดับนี้อยู่ที่จิตมันเหมือนกับมันอาจจะเป็นมันเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งมันมันเป็นเองด้วยต่อมามันมันมันมันก็เลยมันก็ปล่อยวางของมันได้เพราะมันเห็นบ่อยๆเห็นจนเห็นและกำลังมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนอินทรีย์มันแก่กล้าพละแก่กล้ามรรคสมบูรณ์มันก็ประหารกิเลสได้ ทุกอย่างเป็นเองหมดเลยพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเหตุเพื่อให้มันไปถึงไปถึงจุดหมายปลายทางของมันเราตั้งสติดีๆนะให้ตั้งใจดูตัวเองนะเวลาปฏิบัตินี่มันต้องรู้จักปรับปรับด้วยนะปรับอินทรีย์ของเรานะอย่างมันง่วงมันซึมก็แก้ไขอย่างเงี้ยนี่เรียกว่ารู้จักปรับถ้าจิตของเรามัน ดิ่งเข้าไปมากเกินไปก็ต้องดูกว้างๆขายายออกม า, า, ากว้างๆถ้าว่ามันมันออกมากเราก็ให้มันเข้าไปหาจิตเนี่ยเข้าไปหาผู้รู้นี่มันมีการปรับด้วยนะเราเตรียมตัวนะทำใจสบายๆเป็นโอกาสสุดท้ายนะทำใจสบายสบาย ทำความรู้สึกว่าเราได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลของการปฏิบัติเป็นยังไงให้เราพอใจพอใจว่าเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพอใจว่าเราได้ทําหน้าที่ของสาวกพระพุทธเจ้าได้ทาหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้ว รือว่าทัศสูงขึ้นมาอีกเราได้ทำหน้าที่ของสาวกผู้มีปัญญามุ่งที่จะปฏิบัติให้รู้ทางที่จะดับทุกข์ภายในจิตใจของเราอันนี้ถือว่าสูงขึ้นประเสริฐขึ้นแนละ้วหรือมีเป้าหมายว่าเราจะต้องดับทุกข์ภายในใจเราให้ได้ ค่าอย่างนี้ก็เรียกว่าประเสริฐที่สุดแล้วคือดับทุกข์ในใจได้ฉะนันก็ย้ำกับตัวเองหาวิธีที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นอาศาัยจิตที่สงบเนี่ยสอนตัวเองด้วยว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงยังลุกไปเนี่ยเราก็จะพยายามมีสติเนี่ยในชีวิตของเรา แต่ละวันเราควรทํำยังไงเนี่ยบอกกับจิตเราสอนจิตเราในสมาธินี่มันมีกําลังเวลาจิตเราสงบแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งนะเป็นเรื่องข้างนอกขอให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่กับธรรมะมันก็เบาสบายถ้าจิตเราไม่มีกําลังเวลากระทบอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันก็ไหลเข้ามาหาจิตเรามัน ครอบงามจิตเรามันต้องฝึกให้จิตของเราเนี่ยมันมันปล่อยวางอารมณ์ได้มากๆมันจึงจะรู้วิธีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วเราไม่เป็นทุกข์แล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นหินรับสติปัญญาของเราอีกทีหนึง่งกลายเป็นปัญญาให้แก่เรา เป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของเราเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเราได้ต้องอาศัยการฝึกฝนนี่แหละทางของโฮเจจาคือการมีสติหรือเรียกว่าอาริยมรมีองค์แปดอันเดียวกันวันนี้พอแค่นี้นะ สัมมาสัมพุทธาระชากดยพรเอ